بسم الله الرحمن الرحيم إ ัลอาบิล ل ه م ฺอัลอาบิลล ن ฮฺ ن ัลอาบ ه و ลา و ฺอัล ل าบ ن ลลาฮฺ ن ั س อาบ م ลลา ر ฺอัลอาบิลลาฮฺอ ا ل ل าบิล م าฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลา ن ฺอัลอาบิ ا ลาฮฺอัล ل าบิลลาฮฺอั ه อาบิลลาฮฺอัลอาบิลลา ا ل ل ه h u nah m um m il a bika أصبحنَا وبيكا أمسينا وبيكا نموت وبيكا نحيا وإليك النشور Allahumma أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعديك م ص د ا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 ขอบคุณ a l ล a h سبحانه และ تعالى ที่ Allah ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้วันนี้บวชวันที่วันที่สิบสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสส <th i all> ah> <th> ah e ุกเสาร์อาทิตย์บวชมาวันนี้วันที่สิบอัลฮัมดุลิลลา สิบวันทำดุลินละเราได้ใช้ชีวิตของเราอยู่ในเดือนที่ประเสริฐที่สุดน บ, บีเคยขอดุอาสาบแช่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอมาดอนแต่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอลัลลอฮฺดังนันคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอมาดอน โดยการปฏิบัติของดีๆที่นบีสั่งให้ปฏิบัติที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติอย่าปฏิบัติตามอารมณ์เพราะปฏิบัติตามอารมณ์มันมาสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนผ่านมาแล้วเราปฏิบัติตามอารมณ์เป็นส่วนใหญ่แต่ในเดือนนี้เนี่ยเราพยายามปรับตัวของเราหนึ่งให้รักษานามาดกับยะมะหให้มากที่สุด ให้รักษานามาศุนนาโมอักกดาวันหนึ่งสิบสองละกาตยังให้ขาดมีอะไรบ้างสิบสองละกาตวันหนึ่งเนี่ยก่อนนามาดบายสี่ละกาตให้ทำทีละสองสองหลังนามาดบายมีสองะกาตหกแล้วหลังนามามักริบอัสรีนี่ไม่มี ก่อนมีก่อนไม่มีหลังก็ไม่มีมีหลังมะกริบอีกสองละกาศเป็น8ดหลังนมาฎอิชาอีกสองเป็นส0บแล้วก็ก่อนนมาฎซุบะเฮีเนี่ยนบีทำไม่ขาดยิ่งตอนนมาฎซุบโบตอนเช้าเช้านี่ก่อนนมาฎซุบสองละกาศเนี่ยนบีเล่าให้ฟังบอกว่า สองรกราด น, น, นั้นมีค่ามากกว่าดุลยาทั้งหมดหมายความว่าใครที่เป็นเจ้าของเหมืองแรกเป็นเจ้าของเหมืองนู่นเหมืองนี้ฐานทุนฐานหินหรือมีที่ดินมากมายแค่ไหนก็ตามแต่การนำมาสองรกราดก่อนนำมาสุโบโนั้นเป็นของที่ดีดีกว่าปัจจัยที่ท่านพี่น้องครองอยู่เป็นเจ้าของอยู่ ทำไมอธิบายอย่างนี้นบะีพูดอย่างนี้อธิบายชาัดก็คือว่าปัจจัยดุนยาเนี่ยมันมีวันหมดอายุแต่ว่าความดีที่เราละหมาดสองรักษากรละหมาดซุปนั่นนะ่ะมันไม่หมดอายุอยู่ในพอเราทํานำมาดปั๊บสองรักษาทำด้วยลิลล่ะทำเพื่ออัลลอฮ์ความดีอันนี้อยู่ในสมุดบัญชีของเราอยู่ที่อ AH, ัลลอฮ์อัลลอฮ์เก็บเอาไว้มันไม่หมดอายุ เพราะฉะนั้นให้ทําความดีในสิ่งที่ท่านอาบีศสอนให้ทำมาทําเจอสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่หมดอายุแต่ไอ้ของที่เรามีอยู่มันหมดอายุอ้าวดูรถหมดอายุไหมบ้านหมดอายุไหมทีด่ดินหมดอายุไหมโมอเตอร์ไซค์ที่ท่านมีอยู่รถจกยานที่ท่านมีอยู่นาฬิกาข้อมือเนี่ยง่ายๆหมดอายุเพราะฉะนั้นของดุลยยาทั้งหมดมีวันหมดอายุ แต่ความดีที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่หมดอายุนั่งอ่านกุนอ่านในตอนเช้าเแบบนี้เนี่ยนี่เป็นความดีที่ทำแล้วไม่หมดอายุนามาซุบโบเมื่อกี้นี่ยไม่หมดอายุเราตายไปแล้วความดีของเรายอยู่ในบัญชีไม่หมดอายุพอฟื้นขึ้นมาเห็นความดีอยู่ในบัญชีอัลฮัมดุลิลล ท่านทำความดีเยอะๆทําความดีเพื่ออัลลอฮ์ความดีต้องทําตามที่ท่านนบีสอนอย่าคิดเองถ้าคิดเองอะแบบซุปมาแล้วอีกคนชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวอีกคนนึงมาชอบหวานเอาน้ำตาลใส่ปาร์บามากินไม่ได้ต้งถ้วยนั่นแหละแค่นั้นทําตามที่นบีสอนนะอย่าคิดเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ่ะขาดไปอายะหนึ่ง อายาที่65ผมกลับไปถึงบ้านแล้วนั่งนึกเอ๊ยนี่มันขาดไปอายาห น, นึงนั่นนะครับอายาที่บอกว่าวัลลอฮิไม่ใช่ไม่ใช่อายาที่63สิมละวก็ตัลลอห์ละวก็อัลสลนาอิลาอุมาเมมิงกาบลิกฟาเจยยานาลลห์มุชชัยตอนอาอมาเลห์ม ว่าเขาวุลิยุห์มุ่ยยามวะล่ะห์มะซาบุอัลลมเอาที่ผ่านมาแล้วก็แล้วไปนะฝ่ายวันแรกก็แล้วกันก น, นะครับ เ, นะเอามาดีเริ่มอายาใหม่วันนี้สุรนนานะฮ์ลูอายาที่หกสิบหกนะอายาหนี้ต้องการจะอธิบายอธิบายก่อนนะอายาหนี้ต้องการจะอธิบายว่า สัตว์สัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมีอูดแล้วก็มีมีแพะแล้วก็มีมีวัวแพะแกะวัวควายพวกนี้เนี่ยสังเกตนะกินอาหารไปพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์นะว่าอลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแพะแกะวัวควายสัตว์ที่ให้นมทั้งหมดเนี่ย เวลากินอาหารไปกินหญ้าไปกินอะไรไปก็ตามพอกินไปแล้วเนี่ยเอาลอดจัดข้างในข้างในท้องมันเนี่ยเหมือนมีโรงงานเล็กๆแบ่งออกเป็นสามสิ่งด้วยกันกินอาหารชนิดเดียวเนะ่ยเข้าไปเนี่ยมีแฟคทอรี่มีโรงงานนะเวลาอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะถ่ายออกมาเป็นอุจระอีกส่วนหนึ่งไปเป็นเลือด อีกส่วนหนึ่งไปเป็นนมอัลลอฮ์รักว่าใครทำได้เพราะฉะนั้นสัตว์ที่กินอาหารไปแล้วนะครับเหมือนก็มีโรงงานอยู่ข้างในแบ่งออกเป็นสาสามทางอีกทางหนึ่งอเป็นอุจระมันเป็นมูลสัตว์เป็นฉี่บ้างเป็นอุจระบ้างอันที่สองไปเป็นเลือดอันที่สามไปเป็นน้านม อเป็นนมนมอุดูุ้รันว่าอินนาละกุมฟิลอาหามีลอบรออนหามนี่แปลว่าสัตว์อ่ะพระสุสัตว์อบรอห์นี่แปลว่าบทเรียนว่าอินนาละกุมแท้จริงมีไอบรอห์มีบทเรียนแน่นอนละกุมสําหรับสูรเจ้าทั้งหลายฟิลอาหาม ในสัตว์ในปะสสตว์ในปัสสตว์ที่อัลลอ์สร้างมานั้นมีบทเรียนสำหรับมนุษย์จะได้คิดพิจารณาพิจารณาเรื่องอะไรล่ะนุสกีกุมมิมมาฟีบุตูนิฮิมบายนิฟัรซิววาดมิลลบนา ลาบนันขอลิศข้ลิศนนชับก๋ลิชาริบีนนุสตีกุมเราได้ให้สู่เจ้าดื่มมิมมาฟีบุตูนิฮีที่จากที่อยู่ในท้องของมันเราให้ท่านได้ดื่มจากที่ออกมาจากท้องของมันเนี่ย มิมไบนนฟาร์ซินแยกออกจากกันระหว่างมูลในลำไส้และเลือดน้ำนมบริสุทธิ์อัลล์ให่ไหมไปนอนสามรายการชาบิกลิชาริบินนมบริสุทธิ์เนี่ยดื่มแล้วเป็นที่คล่องคอแก่ผู้ดื่มกินแล้วอิ่มเอิบอัลล์อร่อย ใส่ตัวน้ําตาลไปเล็กนอก้อยในนมเนี่ยอร่อยมากเลยต้องการจะบอกให้เรารู้ว่าอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างถึงได้เล่าในกัมภีกุรอานเองถ้าอลัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเองอลัลลอฮ์ไม่รู้นี่อลัลลอฮ์สร้างเองบอกให้รู้ว่าฉันนี่น่ะสร้างมานะอยู่ที่บ้านที่คุณเลี้ยงอยู่นั่นแหละแพะตัวหนึ่งหรืออูตัวหนึ่งหรื อ, อวอัวตัวหนึ่ง ท, ที่ที่เป็นที่ที่เป็นวัวให้นมนะนะคุณเอาย่าให้มันกินพอแล้วมันกินแล้วเนี่ยมันออกมาหนึ่งเป็นมูลสัตว์สองเป็นเลือดสามเป็นน้ำนมน้ำนมเป็นไงซาบิกลลิชาเรบีนดื่มแล้วอร่อยคล่องคอฉะนั้นบ้านมุสลิมควรจะมีสิ่งสามรายการหนึ่งมีน้ำนมเก็บเอาไว้สองมีน้ำผึ้ง อ่รอนี้กำลังเรียนเรื่องอันนหารูแปลว่าตัวพึ่งน้ำพึ่งน่ะเก็บเอาไว้ในบ้านมุสลิมหนึ่งนมสองน้ำพึ่งสามอะไรนะอินทพลัมบ้านมุสลิมมีสามรายการและอิชอัลลอฮ์สุขภาพแข็งแรงบรรดาสอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยเดินตามพี่นบีสัง่งไม่ได้กินยาดวงยาดบอย่างกัะปูร า, ราเรากินนูนกินนี่อ นี่นกินนมแพะที่แล้วนมแพะกับ น, นมวัวน่ะไหนดีกว่ากันนมแพะดีกว่านักวิทยาศาสตร์อัลมะมาเนี่ยอลมะม่มุสลิมเนี่ยเขาอธิบายบอกว่านมแพะเนี่ยย่อยภายในครึ่งชั่วโมงแต่นมวัวเนี่ยใช้เวลาย่อยกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงฉะนั้นดื่มนมแพะดีกว่าถ้าไม่มีก็นมวัวก็ได้ อินทาลัมเนี่ยพี่น้องเนี่ยถ้าตื่นไม่ทันพอตื่นมาอีกห้านาทียาจาแล้วอินทาลัมสามเม็ดน้ำหนึ่งแก้วอยู่ได้ไปอีกวันหนึ่งฮัมยุริลลามีบรรยากาศเยอ ะ, อะตามบนน้ำพื้องอีกช้อนหนึ่งใส่ไปในแก้วเอาน้ำอุน่นใส่แล้วคนๆอิสมิลลัลฮัมยุลิลลามะฮ์มหมัดชอบอย่างนี้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะ อาญอั น, นี้ต้องการจะบอกว่าให้เราดูสัตว์เพราะมันเป็นบทเรียนสําหรับสูเจ้าทาั้งหลายในเรื่องของสัตว์เราเนี่ยให้สูเจ้าดื่มดื่มน้ํานมนะที่ออกมาจากท้องของมันแยกออกมาจากนั้นเลือดแล้วก็แยกออกมาจากมูลสัตว์เอานมออกมาเอลลารอเอากบับอะไรเป็นไงซาบิโก ล, ลิชาริบินดื่มแล้วมันคล่องคลอหลือเกิด แค่นั้นดื่มนมแพะต้องอา่านดูอาอกีกหลังจะอา่านบิสมิลลาแล้วอิ่มแล้วเนี่ยต้องอา่านดูอาขอบคุณอัลลอฮ์มีดูอาเพิ่มมาอีกเนี่ยเราก็ต้องบ้วนปากด้วยนะต้องบ้วนปากด้วยดื่มนมแพะดื่มนมวัวต้องบ้วนปากอย่างดื่มก่อนที่จะมาลมาดเานี่ยไม่ใช่ดื่มแล้วเดินมานามาดเลยนะมันมีไขมันติดที่ปากไม่ดีต้องบ้วนปากก่อนที่จะเข้ามาสัส jid บนป่าก่อนเอาต่อมานะครับายาที่หกสิบเจ็ดวามินซามารตินนาคิลวะลอะนับตัดทั่ซุนะมินหุสักรนวะริซกันพัสนา <ون> อินนั้นใน ذلك لا آية لقوم يعقلون นา ي ن سماروتين نكيل س م ا รอ ت แปลว่าผลผลไม้หรือผลจากผลผลไม้ที่เราเอามาจากไหนมินนัคลีนจากต้นอินทพลัม ผลที่เราเอามาจากต้นอินทภพาลัมวัลอาณนะับและต้นองุนเราเอาเม็ดองุนมาแล้วก็เอาอะไรามานะเอาอินทภพาลัมมาจากต้นมาเนี่ยเอามาทำอะไรอาญานี้ประทานลงมาที่นครมักกะวันนั้นยังไม่ได้ห้ามเรื่องการดื่มเหล้า วันนั้นวันที่ลงประทานอายานี่ลงมาเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ได้ห้ามให้มุขให้มุสลิมดื่มของมืนเมายังสูบบุหรี่ได้ยังกินเหล้าได้ยังมืนเมืนเมาเมาได้ยังไม่ได้ห้ามก็ประทานอันกรุณาอันอายานี่มาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าอินทรพาลามที่เอามาจากต้น กับอางุนเนี่ยที่เด็ดออกมาจากต้นเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างตัะคิรูนมินหุสะกอรสูเจ้าคิดทมของเมาอ่าคิดทาเป็นน้ำเมาเอามาทาเอามาหมักเป็นน้ำเมาได้อย่าอวัยวนี้ไปเปิดโรงงานทําเบียร์ขายนะเดินตามพวกฝรั่งเยอรมัน คือมาตั้งโรงเบียร์โรงเหล้าเนี่ยก็อายะนี่อลัลลอฮสอน่เห็นนะสุลตินนาหลฺลอายะหกสิบเจ็ดเนี่ยอลัลลอฮาาฺบอกว่าอินต้นอินเดพาลามอินเดพาลามที่เอามาจากต้นอางนลที่เอามาจากต้นเอาไปหมักและทำเป็นของเมาได้ด้วยนี่สอนวิธีต้องการจะบอกว่าตอนนี้น้ำหมักกำลังมาแรงนะ่ะ น้ำหมักของป้าเชงอ่ะมาแรงมากเลยตัวนี้แล้วคนเยอะมากเลยหมักและเขาหมักด้วยผลไม้เขาหมักอย่างนี้ผมนั่งดูบ่อยๆสูตรหนึ่งน้ำตาลทรายหนึ่งลิตรไม่ใช่หนึ่งลิตรหนึ่งกิโลน้ำห้าลิตรผลไม้สามกิโลต้องล้างให้เกลี้ยงแล้วก็หมักหมักเอาไว้ แเดือนหกเดือนแปเดือนหเดือนแล้วเปิดเอามากินอร่อยแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยโรคหลายชนิดรักษาได้น้ำมักครับน้ำมักเนี่ยซาการอนถ้าหาว่ากินในระหว่างเดือนสองเดือนมีน้ำเมาห้ามกินคารอมแต่ถ้าเลยเวลาไปแล้วเลยไปหกเดือนถึงแปดเดือนน้ำเมาหมดแล้วตอนนี้มีแต่ประโยชน์นี่ได้จะอาย่นี้แหละ นะตัดตะขีรูนะมิ้นหุซักรอเอาอินทผลัมเอาอางุ่นสองอย่างนี้เป็นเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดแล้ววันนี้พวกฝรัง่งตะวันตกนะ่ะมันก็เดินตามมาอยางนี้แหละแล้วก็ไวน์ที่อร่อยอร่อยที่ราคาแพงๆนะ่ะเขาจะวน์อะไรนะองุ่นใช่ไหมอ๋อเอาอางุ่นเอาอางุ่นมาหมักแล้วขวดละสองแสน โอ้โหของระาหวดละสองแสนมุสลิมรู้ไหมรู้คนบางคนเคยกินมากินกันมาแล้วแต่ตอนนี้เลิกแล้วใช่ไมลองเลิกให้หมดไอ้คนทีเ่เคยกินมาทั้งหมดนะั่ะเลิกให้หมดรวมไปถึงบุรีที่ท่านไปนอนอยู่ในกระเป๋านี่พาบุรีเข้าสุเรานะ่าน่ะบาปอย่างแรงเลยนะเหมือนกับพาอาวุธเข้ามาัสยิดนั่นแหละ นี่ถือปืนเข้ามัสยิดเนี่ยดบีห้ามอย่าเอาอาวุธเข้ามัสยิดแต่พวกเราเอาอาวุธชนิดใหม่พาบุหรีเข้ามัสยิดอาวุธตายผ่อนสงใช่ไหมเหมือนกันคิดให้ดีให้ชายปัญญาหนีในะครับชายปัญญาเนี่ยฉะนั้นอย่าพาบุรีเข้ามัสยิดใส่กระเป๋ามาหลับอย่าอย่าพาอย่าพาเข้าเอาไว้จะแข็งนอกที่หมดเอาไว้ข้างนอกเด็กลักอีก เอาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะครับวาริศกอนฮัสนาและจากน้าห ม, มักนี่นะนะทำเป็นของมึนเมาแล้วยังไม่พอวาริสกอนฮาสนาและเป็นเครื่องยังชีพที่ดีโอโ้เป็นเครื่องยังชีพที่ดีเป็นริสกีที่ดีอาญะนี้เขาประทานลงมาที่นครมักกะยังไม่ได้ห้ามเรื่องการ เสพของหมึนเมาอย่มาได้ห้ามอินฟิลิกะลายะแท้จริงในนั้นหมายถึงในน้ำหมักเนี่ยนะมีสัญญาณสำหรับประช า, ะ ช, าชนผู้ใช้ปัญญาละอัลละกุม่มหรือเก้ามีอยากติลุน้นคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยเอาไปคิดต่อได้เลยเาตอนนี้มีคนคิดต่อแล้วนะ ก็คือนี่เราเอาน้ำหมักนี่นะนะสามห้าหนึ่งส ห, หงสหอธิบายยังไงน้ำตาลทราย1กิโลน้ำห้าลิตรผลไม้3กิโลเอาไปหมักแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนแล้วปิดฝาให้นน่นนะเรียกว่าอัลคัลโในภาษาคดิสเรียกว่าน้ำหมักในสมัยในวีเราเรียกว่าน้ำส้มแต่ที่จริงหมายถึงน้ำหมกักนะครับอัลฮัมดุลิลละ คือต้องทราบไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยห้ามไม่ให้มุสลิมดื่มของมืนเมาเนี่ยหลังจากอพยพไปถึงนครมดีนาแล้วนะตอนอยู่นครมา ก, กาเนี่ยดื่มของมืนเมาได้ยังไม่ได้ห้ามนะแต่พอไปถึงนครมดีนาปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์วาฮีอัลกุรอานลงมาห้ามไม่ให้มุสลิมดื่มของมืนเมาเนี่ยไม่มีใครแตะสักคนหนึ่งนะพอห้ามแล้วไม่มีใครแตะเลย อัลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์ได้ยกย่องบรรดาซอฮาบะนะบียกย่องให้เกียรติมากเลยเพราะอะไรเพราะเชื่อนบีแล้วก็เชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรเนี่ปฏิบัติหมดเลยไม่แตะเลยนะอ้าวดูบางอายะห์อธิบายอย่างนี้คนที่ดื่มของมึนเมาไปแล้วเนี่ยพอรู้ว่าอัลลอฮ์ประทานอันกรุณาลงมาห้ามของมึนเมาเนี่ยบางคนเดินไปหานบีลอยารุซุลลอละเมื่อคืนเนี่ย ก่อนที่กุูอ่านจะประทานลงมาสั่งห้ามไนมะ่ให้กินของมืนเมาเมื่อคืนเนี่ยฉันกินละ่ะทําไงอยู่ในท้องฉันอยู่ไงทําไงให้อาเจียนออกมาไหมให้เอามือล้วแล้วอาเจียนออกมาไหมนั่นไปถามน บ, บีถึงขนาดนั้นน บ, บีบอกว่าไอ้ที่อยู่ในบ้านอนะเททิ้งใม่หมดทุบหายเลยอรอทุบหายแลว้วก็เทเนี่ยของมืนเมาเนี่ย ในฮะดยสอธิบายไปว่ามันไหลอ่ะมันไหลออกตามน้ำเนี่ยตามตามตามอะไรตามท่อท่อน้ำอ่ะไหลมันฝนตกอ่ะโอ้ทุกบ้านเลยมีกันหมดเลยคนละหายสองหายสามหายเททิ้งหมดเลยเลิกหมดเลยตอบ้าตัวต่ออัลลอฮฺุบฮานูวตาละนั่นเขาทิ้งจริงๆเลิกจริงๆและไม่ยอมแตะนี่ท่ามุสลิมเราเนี่ยนะ เดินเอาเอาชีวิตของสหาบาห์นอบีมาใช้นะอัลลอฮ์เนี่ยคนกาเฟตจะงอหมดเลยนะแต่วันนี้เราไม่ไม่นึกถึงสหายบาห์เนี่ยมาด้เอาชีวิตของสหาบาห์มาใชา้อัลลอฮ์นี่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราใหม่เนี่ยนะยึดสหาบะห์ที่เขาปฏิบัติตามนาบีเขาปฏิบัติกันอย่างไรเนี่ยอัลฮัมยุดีละอัลลอฮ์จะให้เกียรติพวกเรามากแต่วันนี้เราอัลลอ บางคนยังไม่เลิกกินเหล้าเลยเป็นแขกมาตั้งนานแล้วใช่ไมเ้าก็เล่าว่าท่านพี่น้องฟังเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของบรรดาซอฮาบะของท่านนบีนะครับเอาต่อมาครับอายาที่68 <S <S วะอาวฮารับบุกอีลันนลีว่าอาวฮาวอฮาแปลว่าเราได้วะฮีวะฮีนี่แปลว่าดนใจ วาหีนี่ยนะอัลลอฮ์ส่งวาหีลงมาเนี่ยส่วนใหญ่อัลลอฮ์จะให้จิบริลนําเอาวาหีมาให้แก่นบีมุ hammad สุลลัลในมุซัมจินนครมกานู่นหรือนครมาดีนะมีอยู่สองแหล่งด้วยกันเวลาจิบริลลงมาหานบีน่ะเอากุรานมาให้ด้วยพากุรานมาให้ด้วยแล้วก็มาจะมาดนใจนบีบางทีก็มานั่งคุยกับนบี บางทีก็มาสอนนบีอย่างเดือนอมอตเนี่ยยิบรี ล, ลงมาอ่านคุรานให้นบีฟังทบทวนคุรานปีละครั้งอะ่ะเดือนอมอตเนี่ยยิบรี ล, ลงมาเลยไปน้องมาอ่านกุรานให้นบีฟังแล้วนบีก็นั่งอ่านตามยิบรีนนั่นแหละเป็นการทบทวนคุรานไปในตัวฉะนั้นเดือนอมอตเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับอ่านอัลคุรานนะครับ ทีนี้วาฮีนี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าโดนใจอัลลอฮฺาวาฮีให้กับนบีมุฮัมมัดให้กับคนแล้วก็ให้กับสัตว์ด้วยให้กับริยว์นี่อัลลอเป็นเจ้าของเจ้าของสัตว์วันนี้ต้องการจะพูดเรื่องพึ่งเรื่องตัวพึ่งนะครับอันนั่ลีแปลว่าพึ่งว่าอัอฮารบบุกอีลอันนั่ลี และพระผู้อภิบาลของท่านทรงดนดนนะโดนใจเนะี่ยแกพึ่งอัลลอฮ ullah มูเลลลาเพึ่งรู้ว่าพึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ก็ดูแล Allah, Allah, อัลลอฮ์ว่าให้อัลลอฮ์อิล ham อัลลอฮ์สัง่งให้ทำรัง อ, อินิ ต, ตาคีรีให้ทำบูยูตันแปลว่ารังแปลว่าบ้านสั่งให้พึ่งเนี่ยทำรัง ในที่สามแห่งด้วยกันในที่สามแห่งพึ่งทํารังในที่สามแห่งถามว่าพึ่ ง, งเคยทําอะไรเกินที่อลัลลอฮ์สั่งไว้ไม่เคยทําตามที่อลัลลอฮ์สั่งอลัลลอฮ์สั่งให้ทารังที่ไหนบ้างมีนัลจีบาลให้ตำทำรังที่ภูเขาอ่าจีบาลแปลว่า mountain ทำที่ภูเขานั่นอะ่ะแหล่งที่หนึ่งลองไปดูสิส พึ่งอ่ะมันทำที่ที่ภูเขาประเภทที่สองวามินาชาจารีวามินาชาจรีและทํารังตามต้นไม้ชาญไปว่าต้นไม้เนี่ยแ่งที่สองที่พึ่งจะต้องทํารังเพราะอัลลอฮฺสั่งมาแต่พึ่งเนี่ก็ทำตามอัลลอฮฺหมดนะแล้วแรงที่สามวามิมายาริชูและทํารัง ตามที่พวกเขาก่อร้านขึ้นคืออะไรนะนที่ไม้ไม้เถาที่มันเลื่อยๆอยู่เนี่ยตามทำรังที่มันที่เราก่อร้านเนี่จขึ้นมาพวกนี้ใช่มไหมมีอยู่กี่แหลงนะสามแหล่งดูกันหนึ่งที่ภูเขาสองที่ไรนะสองต้นที่ต้นไม้โตรนั้นผงไป เนี่ยไปอ่านม่ไ้อานไปส่งเจ้าเบาที่ไหนอ่ะพอเดินเข้าไปเนี่ยเป็นต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านโอ้รอพึ่งยังขนาดนี้เขาบอกเดินเดินเฉยเดี๋ยวมันจะต่อยพอลองพี่น้องทำอยู่เลยนะนึกถึงอายะอุรอันอายะนี้นฉะนั้นแล้วก็พึ่งไม่เคยทรยศต่อร้อนนะพวกเราเนี่ย แห่คอกเรื่อยแต่แต่สัตว์ไม่ค่แห่คอกแล้วก็มองดูนะอามองสัตว์อื่นๆเนี่ยมีถึกพณีหนังสือภาษาบูรดูผมนั่งอ่านเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าหมาน่ะสุนัขเจ้าของมันตีเนี่ยมันจะหมอบใช่หรือไม่ใช่เจ้าของหมาเนี่ยะละ้วตีเนี่ยมันจะหมอบมันหมอบถ้าคนอื่นตีเดือบกัดเลยอ่ะใช่ไหม ทำไมอ่ะเพราะมันเชื่อมันศรัทธามันยอมจำนนต์ตนต่อเจ้าของของมันแล้วคนที่เขียนนี่ก็เขียนเขียนดีก็บอกว่าทาั้งๆที่มาเนี่ยเจ้าของมาเนี่ยมันจะสร้างมาแล้วอัลลอฮ์สร้างม า, า, ง ม, ามันเพียงแต่ให้อาหารหมากินหมามันยังตอดยังเชื่อฟังเจ้าของของมันอ่ะแล้วเรามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้สารพัดทุกอย่างอ่ะแต่อัลลอฮ์สั่งอ่ะไม่เคยสุู่่ต่ออัลลอฮ์เลยไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ ถามว่าเรากระหมาใครดีกว่ากันพอมาตรงนี้เราเจ็บหนะ้าดูเลยมาดีกว่าโอ้เะนั้นถ้าเราพิจารณาดูสัตว์ที่อัลลอฮ์ให้มาอยู่รอบรอตัวเราเนี่ยมันต้องอตัตตอัลลอฮ์มันเชื่อฟังอัลลอฮ์มันสุ่อยู่ต่ออัลลอฮ์ถ้าสัตว์เหล่านี้ไม่สุ่อยู่ต่ออัลลอฮ์นักแต่ว่าใครแย่เราในแย่อา้าวลมนมไม่ออก ตามที่อัลลอ์สั่งในฟรุารานเนี่ยออกมาเป็นมูลสัตว์หมดตายไหมหเราอะ่ะจะเอานมเทียมมาจากไหน้ามาเอานมจริงไปผสมตายอย่างเดียวฉะนั้นต้องนึกตรงนี้แล้วขอบคุณอัลลอฮ์สุภาในอุตาลนะครับพี่น้องไอ้คำว่าวาฮีเนี่ยหมายถึง เกิดขึ้นกับมนุษย์ด้วยเกิดขึ้นกับสัตว์ด้วยนะเกิดขึ้นกับทุสินทุยาเนี่ยแหละเป็ดไก่เนี่ยเราวะฮีมาทั้งหมดแล้วนะวะฮีก็หมายถึงอิลามนะ อ, อที่ถ้าใช้กับมนุษย์ก็คือให้ความรู้มาให้เหตุยามมาส่งนบีมุฮัมมัดมาเอาอิสลามผ่านนาบีมุฮัมมัดแล้วให้มอบัตมาสอนนั่นคือวะฮีผ่านคน คือประธานอิสลามลงมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตนี่เดืนดอนอมดรที่เราถือศีลอดกันวันนี้นะ่ะนี่ผานวะฮีนะแต่เป็นน้องทราบไหมนะ่ะอีกากูโบหลุมหลุมแรกนะ่ะใครทากูโบหลุมแรกนะ่ะใครทาที่ลูกนบีอาดัมสองคนใช่ไหมทะเลาะกันแล้วก็พี่ข่าน้องกับน้องข่าพี่ผมลืมไปแล้วนะฮะพี่ขาน้องใช่ไหม พอตายแล้วจะจัดศพยังไงอ่ะเอาล็อให้อีกาลงมานะ่ะตีกันสองตัวอีตัวหนึ่งตายพอตายไปแล้วก็มันก็อีกาอีกตัวหนึ่งก็มาคุยคุยคุยคุยคุ ย, คยเป็นเป็นอะไรนะเป็นหลุมแล้วก็บรดึงอีตาอีตัวหนึ่งลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินกบ ค, คนนะึงคนนึงคนนั่งมองอยู่ฉันจะทําแบบอีกาหรือ มันต้องทํำแน่ๆเพราะไม่มีทางออกอ่ะคำ อ, อธิบายยังไ ง, อ, งอธิบายบอกว่าตามธรรมดาเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ต้องการที่จะสอนความรู้กับมนุษย์เนี่ยจะให้ยิบรีนลงมาบอกกับนบีแล้วให้นบีสอนกับมนุษย์แต่ใ น, นเมื่อคนนี้ทํำชั่วอัลลอฮ์ไม่ส่งอ่ะทรงอีกามาให้สัตว์มาสอนโอ้โหแสบไหมล่ะให้สัตว์มาสอนเนี่ย ทำตามนี้ฉะนั้นกูโบโหลุมแรกที่ขุดครั้งแรกในชีวิตก็คือสอนโดยอีกานั่นแหละอีกาก็อัลลอก็เอาฮาอิ ล, นลันนะฮ์ลีแบบเดียวกับประทานให้กับพึ่งก็ประทานให้กับอีกาด้วยให้ไปสอนลูกอาดามที่ฆ่าพี่ชายที่ฆ่าน้องชายของเขาจันี้เป็นต้นนะครับต้องคิดทำมปแล้วอ่าต่อมาครับอายาที่หกสิบเก้า 69ต้องการจะบอกอย่างนี้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังรู้จักทาสิ่งที่มีประโยชน์สัตว์เดรัจฉานนี่ต้องการจะอธิบายในแนวะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังรู้จักทาสิ่งที่มีประโยชน์แต่ชะไหนมนุษย์ส่วนมากกลับทาชั่วเพราะอะไรอายาที่หกสบเก้า สุมมากูลีมิงกุลิสมัมมาโรตอัลลอฮ์สั่งนะครับว่ากุลีจงกินน่สั่งพึ่งอ่าสั่งพึ่งสั่งตัวพึ่งสุมมากูลีจงกินหมาจึงจงดูดอ่าสั่งพึ่งให้ไปดูดแก่ศรเนี่ยจากต้นไม้ต่างๆเนี่ยอลัลลอฮ์สั่งนะ มิงกุลิสมรอดจากผลไม้อสั่งให้ตัวพึ่งเนี่ยไปดูดเกสรจากผลไม้มิงคุลิสมรอดจากผลไม้ทั้งหมดฟัสลูกีและจงดำเนินสุบูลรอบบิกะตามทางของผู้อภิบาลของท่านที่สั่งมา รุลูลาโดยท่อมตนเห็นไหมสัตว์ยังท่อมตนต่ออัลลอ์พึ่งยังท่อมตนต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นที่พึ่งเนี่ยไปกินอะไรนะไปดูดเกสรนี่เดินตามอลาัลกุรอานทั้งหมดาถ้ามีพึ่งมีอยู่ปีหนึ่งสไต ฉันไม่กินอะไรนะไม่กินเลยเนี่ยไม่กินผลไม้ไม่ดูดผลไม้ถามว่าใครแย่พึ่งแย่หรือว่าเราแย่เราสิแย่ไอ้คนที่ดูแลไอ้เรื่องพึ่งขาดทุนเจ๊งแล้วก็พึ่งเราก็ไม่ได้กินน้ำพึ่งแย่นะ่ะ ดีมดีต้องตายอ่ะใช่ไหมดั้นถ้าพึ่งมันทรยศต่ออัลลอฮ์นะมันไม่ยอมนมาดอย่างเราไม่นมาดมันไม่ยอมบวชอย่างอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราบวชนะอัลลอฮ์เนี่ยฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะนะครับฉะนั้นพึ่งวันนี้มันไปดูแต่ไดนะดูดเกษรจากอะไรนะจากผลไม้ทั้งหมดฟัสลูกีซูบุลลอบบิกาซูลุลา จงดำเนินตามทางของพระผู้อาภิบาลของท่านโดยถ่อมตนนั่นการถ่อมตนของสัตว์ก็คือปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์การถ่อมตนของเราก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอะ์ที่ทรงบอกผ่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอหอัส ล, สลมมานะครับทีนี้เวลาเพิ่งไปดูดไปดูด เกสอนจากผลไม้ทั้งหมดมาและเป็นไงยาครูยูมิบูตูนฮะมันออกมาออกมาจากใครนะจากทองของมันชารอบุนอโลอักบัตมีเครื่องดด่มเป็นเครื่องดด่มที่ออกมาจากทองพึ่งเนี่ยเป็นเครื่องดื่ม มุคตาลิฟุนอลวาโนหลากสีอลอกันออกมาจากทองของมันสีของพึ่งเนี่ยมีอยู่สามสีนี่ตับซิดอธิบายดีสีของน้ำพึ่งเนี่ยมีอยู่สามสีด้วยกันหนึ่งสีขาวไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะสีขาวเนี่ยสองสีแดงสามสีเหลือง ทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะมันขึ้นอยู่กับเกศรผลมะที่มันที่พึ่งมันไปกินมันไปดูดมาแต่ของเราเนส่วนใหญ่ได้มาจากอะไรนะสวนลำไยที่เชียงใหม่ใช่หรือไม่ใช่อ่าส่วนใหญ่ได้ทีนั้นละไเยอะมีกลิ่นหอมนะครับแต่อันคุอ่านอธิบายว่ามีอยู่สามสีด้วยกันหนึ่งสีขาวสองสีแดงสามสีเหลืองนะ มุขตัล uh ิฟ <na> ุนอัลวาヌฮฺฟีฮิชฟอุลในน้ําผึ้งนั้นมีตัวยาที่บําบัดสําหรับมนุษย์มีตัวยาสําหรับมนุษย์สังเกตนิหนึ่งชีฟะเนี่ยไม่มีอลิฟลามสังเกตในคุอ่านมีอลิฟลามเปล่าไม่มีอลีฟลามนะฟีฮิชีฟะอุ ถ้ามีอลิฟลามฟีฮิชิฟะนี่อลิฟลามไม่มีรู้ไหมมีอลิฟลามกับไม่มีอลิฟลามเนี่ยความหมายมันต่างกันไม่มีอลิฟลามเนี่ยแปลว่ารักษาได้บางโรคไม่ใช่ทุกโรคน้ำผึ้งเนี่ยนะพอกินพับเนี่ยหายเลย แต่บางครั้งบางคนกินแล้วไม่หายอัลลอฮ์เล่าให้ฟังทำไมอ่ะนี่ง่ะชีฟาอุลคำว่าชีฟาไม่มีอลีฟลามเนี่ยหลายโรคหายแต่บางโรคไม่หายแต่ถ้าหากอัลลอฮ์ใสว่า ฟ, ฟีฮิชชฟามีอะลีฟกับลามอยู่นะแสดงว่าน้ำผึ้งนั้นรักษาได้ทุกโรคแต่ตรงนี้ต้องการจะบอกว่า บำงโรคนั้นน้ำพึ่งกินไม่หายก็มีให้ทำใจไว้ก่อนอมีอยู่คนหนึ่งในสมัยนบีท่านส라이ตอัลคุด Al ri, รีรดิัลลอฮุอาลฮเป็นชาว บ, บ้านนบีเล่าบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีมาบอกยาสู و ل ลลอฮอินน่าอาคีอิสตัตลละกอญาติของฉันคนหนึ่งท้องเสีย ญาติของเขาคนหนึ่งท้องเสียไปฟ้องนบีนบีก็บอกว่าอิสตีฮีอาซลันคุณเอาน้าผึ้งเนี่ยไปให้เขากินซะไปให้สองวันมาหานาบีทั้งสองวันบอกว่ายิ่งกินแล้วมันยิ่งทายนาบีกินอีกก็ทายอีกสามวันแล้วทายเนี่ยนบีบอกว่า น บ, บีบอกนี่นะซอดากอลลอฮ์อัลลอ์พูดจริงทั้งหมดว่ากาซาบะบัตโนอาคีกะแต่ท้องของพี่ชายของคุณหรือญาติของคุณนั่นมันดื้อยาสแสดงว่าท้องเสียเนี่ยเอาน้ำพึ่งไปแก้ได้ไหมได้นี่น บ, บีสั่งเลยทัา น, นคนที่ท้องเสียเนี่ยกินน้ำพึ่งหายไหมหายครับ คนในประวัติมีอยู่แล้วซวาบะเคยท้องเสียมาแล้วและนบีสั่งให้กินน้ำพึ่งวันที่สีหายเลยฮัมดูลิละนบีพูดไว้อะไรนะที่อัลลอฮ์ตัดเอาไว้ในเรื่องจริงทั้งหมดถ้ามันไม่หายต้องหายชา้าแสดงว่าท้องคุณมันแย่เหลือเกินนะดื้อยามากถ้าคุณทำชั่วไปเยอะถึงได้หายช้าตการจะพูดอย่างนี้นั่นแหละ อันนั้นน้าผึ้งเนี่ยแก้ได้แต่ไม่ใช่ทุกโรคนะเป็นบางโรคอายาไหนอายานี่ไงชีชีฟีฮีชีฟาอุนลินน่าคำว่าชีฟาไม่มีอลิฟลามสแสดงว่ารักษาได้หลายโรคแต่ไม่ใช่ทุกโรคแต่ถ้ามีอลิฟรามสิฟีฮีชีฟาสแสดงว่าน้าผึ้งนั้นรักษาได้ทุกโรคตัอกระจายนะต้องต้องปรนะึกษาหมอนั่นแหละนะต้องรอให้ ความรู้มานะไ <c oughs> อ้คำว่าจูลูลาเนี่ยอธิบายนิดหนึ่งจ ul ูลูลาอัลลอ์สั่งน้ำผึ้งให้ทอมต้นแล้วก็สั่งถ้าช้กับแพะแกะวัวควายคำว่าจูลูลาอธิบายยังไงยังกับควายที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยขี่หลังมาได้ไหมได้ไถนาได้ไหมได้นั่นแหละจูลูลามันทอมต้น ถ้าใช้กับอูดขี่อูดได้ไหมได้นั่นคือจูลูลาสัตว์นั่นมันถ่อมตนต่อคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาละเราก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่จูลูลาถ่อมตนเดือนอมมดอนมาต้องบวชใช่ไหมกุรานมีต้องอ่านใช่ไหมต้องติดต่อกับญาติพี่น้องใช่ไหมนี่แหละจูลูลาถ้าเอามาใช้กับมนุษย์ฉะนั้นคาว่าจูลูลาเนี่ยใช้กับสัตว์ก็ได้ใช้กับมนุษย์ก็ได้ ใช้กับใครก็ได้นะครับแต่นี้ของใครของมันนะ <c oughs> เอาต่อมาครับอายาที่อายที่เจ็ดสิบวนวันนวหน่อยนะ <c oughs> วัลลอฮุขอล่าขอบุมอัลลอฮทรงสร้างสู่เจ้ามาอายะหนี้ต้องการจะบอกอย่างนี้ชีวิตบนดุนยาเนี่ยนะ ตายผลสุดท้ายต้องตายคำว่าตายนี่ไม่ใช่ตายเลยนะไม่นมีอยู่นี่น่ะหนึ่งโลกดุนยาสองโลกอาลัมบัซักสามโลกอาคิร์โลกดุนยาเป็นอย่างนี้มีชีวิตเหนื่อยตายมีสามอย่างนะโลกโลกดุนยามีสามมีชีวิตหายใจได้ ขั้นตอนที่สองเหนื่อยทํางานทํางานทางานทํางานศาสนาก็เหนื่อยนามาก็เหนื่อยทํางานดุนยาความชั่วก็เหนื่อยเหนื่อยกันทั้งสองนั่นแหละใช่ไหมนะดุนยาก็เหนื่อยทํางานศาสนาก็เหนื่อยอันที่สามพอเหนื่อยเหนื่อยแล้วตายโลกอัลัมบัตซักก็มีอยู่สามเหมือนกันตายชีวิตอยู่ในอัลัมบรตซักตายตายแล้วก็เหนื่อยอีก ในอยู่ในอยู่ในโลงอ่ะอยู่ในกุโบนะเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะถูกลงโทษแล้วก็บาก็อยู่ไปตลอดรอ อ, อยู่ไปตลอดเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไปตลอดท่านลำบากลำบากตลอดจนกว่ามันจะฟื้นเรื่องใหญ่มากครับฉะนั้นเวลาตายแล้วอยากคิดว่าตายแล้วจบไม่ใช่เราเนี่ากลังเดินทางสู่โลกอาเคโรอ ย, อยู่ ตายแล้วต้องฟื้นอีกเดี๋ยววันอาคคีรอมาฟืน้นโอ้แล้วก็ได้รับบัญชีทราบคิดบัญชีแล้วก็ให้รางวัลฟืน้นคิดบัญชีให้รางวัลถ้าอยู่ในสวรรค์รีดออาตอรีดอลิกอัอลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ตอบแทนพบอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายนะ พบอัลลอ์นั่นเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดอันนบีพูดอย่างนี้คนที่ดีใจที่สุดนะมันมีอยู่สองช่วงคนที่ถือสินอดช่วงที่หนึ่งตอนไหนตอนละสินอดดีใจไหมทั้งแกไม่แกไม่ว่าเด็กมาว่าใครก็ําอีกสองนาทีละสินอดดีใจอะ่ะก็อดมาทั้งวันน่ะ และดีใจครั้งที่สองนะตอนเข้าสวรรค์แล้วพบอัลลอฮ์สุบฮานาหาูวะตาละนั่นดีใจที่สุดนะนั่นชีวิตเรามีเป้าหมายนะอ้าพูดมาอีกครั้งหนึ่งในเดืรรดอนอามอสดเนี่ยคนที่ดีใจเนะี่ยมีอยู่สองครั้งในบีสอนเลยนะหนึ่งดีใจตอนละซินอดกับดีใจตอนพบกับอัลลอฮ์สุบฮานาหาูวนะตาละหลังจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วบางคนพบอัลลอฮ์ทุกวัน บางคนพบ Allah, อัลลอฮฺอาทิตย์ละครั้งมันสุขที่พบทิงบางคนก็นเดือนละครั้งบางคนนานๆานเห็นหนะ้าอัลลอฮฺที่มันต่างกาันมันอยู่ที่อามัณของเราการงานของเราวันนี้ทางงานของเราเนี่ยอัลลอฮฺดีสมบูรณ์ทั้มดุลิลละด้วยน้องโอ้เดี๋ยวจะคุยเรื่องสวรรค์สวรรค์หนึ่งอิชอาลอยเรื่องสวรรค์อย่างเดียวนะพอคุยเรื่องสวรรค์แล้วอยากเข้าดูกันทุกคนนี่นะภรายาเรานี่นะ วันนี้เนี่ยบางคนก็อ้วนไปบ้างอะไรบ้างไม่น่าเลยแต่ในวันนั้นนะพอเข้าไปในสวรรค์ไอตอนออกนะ่ะออกไปจากบ้านนออกจากสวรรค์นเนี่ยไปทำธุเนี่ยเดินไปไหนไปเยี่ยมใครก็ตามพอกลับมาเข้าบ้านมองพระยาอีกที อ, อ้าอตอนออกมันไม่สวยอย่างนี้นี่กลับมามาสวยกระเกาอีกนะ่ะ อ, อัลลอฮฺอะก ออกนอกบ้านทีนึงกลับมาเจอภรรยาสวยกาๆ่าอีกภรรยาคนปัจจุบันนี้เนี่ยแหละถ้าได้เข้ากันสองคนนะมีอยู่คนหนึ่งอยู่แถวแถวบางกอกน้อยมาหาผมนั่งคุยกันก็ฉันกับภรรยาฉันเนี่ยจะได้พบกันใหม่ไหมในโลกอาเคโรผมบอกก็พบกันให้ กูไม่เอาได้ไหม <c oughs> อย่าให้พบกันเลยพบกันเธอที่ว่าไม่สวยไม่สวยวันนี้นะพอเข้าสวรรค์แ ล, ล้วอัลลอกว่านึกไม่ถึงละพรรยาฉัน้เป็นอย่างงี้นะเนี่ยนั่งคุยอยู่กันดีๆพอออกนอกบ้านไปหน่อยกลับมาอีกทีหนึงน่งอัลลอสวยกะเกะาอีกและเราก็เหมือนกัน สายามองหนะ้าครั้งแรกไม่สวยพระอยู่ไปอนี่มันรอก็มาว่านี่เองนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งดีอ่ะนั่นขออวยให้เข้าสวรรค์กันต่ากนผู้คนนะฮะคนจะเข้าสวรรค์ได้บวชต้องถือหรือไม่ถือต้องถือนะ้ำมานให้เวลาขาดหรือไม่ขาดไม่ขาดตัดขาดกับญาติพี่น้องหรือไม่ตัดดีไม่ตัดดีกว่าถ้าต้องการจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาะอูวาตาละเอาต่อมาครับสุมมายะตาวะฟากุม อัลลอฮ์สร้างสู่เจ้ามาแล้วต่อมาอัลลอฮ์ให้สู่เจ้าตายบนดนญานี้เนะี่ยมีสองอย่างนะสร้างมาแล้วในหะดิษอธิบายว่าพอสร้างมาแล้วมีชีวิตชีวาแล้วเหนื่อยตอนทํางานเนี่ยเหนื่อยเสร็จแล้วตายถ้าเหนื่อยแล้วไม่ตายอ่ะอยู่ในกุโบ อยู่ในกูโบนี่เหนื่อยไม่ตายนะถูกลงโทษแค่ไหนมันไม่ตายอยู่ในอาคิรอก็เหมือนกันเหนื่อยแค่ไหนก็ตามถูกลงโทษแค่ไหนก็ตามมันไม่ตายนั่นอยู่บนดุนยาดีกว่าไหมดุนยาดีกว่าเยอะเลยคนเหนื่อยเนืยแล้ตายยกตัวอย่างในหะดิษอธิบายไว้อธิบายอย่างนี้ภรรยาฟาโร่ชื่อ นางอาซียาอาลีฟน้อาซียาอีมานต่อนบีมูซาอะลัยฮิสซลัมเสร็จแล้วสามีรู้สามีโกรธหน้าดูเลยไม่พอใจที่ภรรยาไปเชื่อนบีมูซาเชื่ออัลลอฮ์ผ่านนาบีมูซาบอกเธอเลิกซะเลิกเลิกเชื่ออัลลอฮ์ เลือกเลือกเชื่อนบีมูซาผู้หญิงไม่ยอมมาผู้หญิงไม่ยอมแล้วก็นบีอนีเนี่ยฟาโร่ต้องการจะทำลายอเอาภรรยาตัวเองไปยืนกลางแดดทรมานแล้วก็ต้องการที่จะอะไรนะทำลายฆ่าเอาหินเนี่ยหนักหนาเนี่ยมาทุ่มภรรยาตัวเองอัลลอฮ์ให้นางเห็นสวนสวรรค์ ที่อยู่ในสวนสวรรค์พอเห็นปั๊บในน้งขอดุงอาเลยอย่าเอาลอสร้างบ้านให้ฉันหลังหนึ่งในสวนสวรรค์อัลลอ์รับดวอาเลยเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอ์ให้มาลายกามาเอาวิญญาณของนางออกแล้วก็ฟาโรก็เอาหินทุ่มทุ่มในร่างที่ไม่มีวิญญาณถามว่าเจ็บั้มไม่เจ็บนี่อัลลอฮ์เมตตาแสดนความตายนี่นะเป็นความประเสริฐนะเป็นความดีนะ นั่นคนที่ถูกทรมานหรือว่าได้รับอะไรหนักๆแค่ดีก็ตายแต่ในอในอาลามบัซักเนี่ยมันไม่ตายอะ่ะนี่อย่างพอไป น, นอนอยู่ในกูโบปับนะถูกทรมานเท่าไหร่นะเจ็บก็เจ็บแต่มันไม่ตายอีกแล้วมันอยู่ในสภาพนั้นแหละหนักฟื้นขึ้นมานโลกอาคิรอมันก็ไม่ตายอะ่ะอลัลลอฮ์เล่าเองนะบีเล่าเองเล่าอย่างงี้ อลัลลอ์ให้ความตายความตายเนี่ยเป็นเป็นมัคลูกนะเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งอลัลลอ์เอาความตายมาเอาวงดูกลิ้องดูนี่ความตายนะเชื่อดเลยเชื่อดขอความตายจบาท น, นตั้งแต่วันนี้ไปไม่มีใครตายถ้าสบายไม่ตายดีไหมถ้าอยู่สบายไม่ตายอ่ะดีหรือไม่ดีดีถ้าลำบากแล้วไม่ตายอ่ะ อัสตาวิรุลอแคดนั้นต้องคิดถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะเนี่ยถ้าเราเรียนศาสนาเนี่ย إ ي م านมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะวะลลัห um. ูคอละกอคุมอัลลอห์ทรงสร้างสูเจ้าซุมมายะตะวะฟากุมและทรงให้สูเจ้าตายวะมิงกุมและในมูสูเจ้า ไม่อยู่รถดูอิลาอัลดลิลอูมูรในหมู่สัวเจ้ามีผู้ถูกนํากลับยารุดะอยู่รถดูแปลว่านํากลับถูกนํากลับยังส่วนที่อัลดาลิลอูมูร ال ور, ส่วนที่เลวที่สุดของชีวิตหมายความว่าอย่างงี้ตอนแก่ๆนั่นแย่ ชีวิตจะมีสามช่วง่หมนึ่งตอนเด็กสองตอนหนุ่มซอนสามตอนตอนจนก่อนก่อ น, อ, น อ, น อ, นอนตายตอาย่ะชราภาพเนี่ยนี่ตอนการจะเล่าว่าชีวิตช่วงก่อนตายนั้นเป็นชีวิตที่แย่ที่สุดลำบากที่สุดเช่นอะไรบ้าง ลีไกลายาเลมูมิบะเดอเอลมินชียพวกเขาไม่รู้อะไรหลังจากมีความรู้หมายความว่าคนแก่มากแล้วจะหลงลืมฉะนั้นแก่จนกระทั่งลืมเอาไหมตอนนี้ยังแข็งแรงใชว่าหกสิบถามว่าคนแก่จริงๆเนะี่ยอายุเท่าไหรอ่อัลลอนฺในนบีสอนหมดนะคนแก่จริงๆนั่นอายุเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหม h a d i t ของ ali r a d h ย y a l l a h u anhu อัลจาลุลอาุมัดห้าวสบนะสันะอายุเจ็ดสิบห้าปีนั้นแกสูสุดแล้วใครที่มีอายุเจ็ดสิบห้าปีคนนั้นเป็นคนที่อัลจาลีลอาอุมัมีอายุที่ที่ไรนะที่เลวที่สุดที่แย่ที่สุดที่ลำบากที่สุดแก่อายุเจ็ดสิบห้าปีนั้นนะ ความไร้ความจำไม่ดีสุขภาพไม่แข็งแรงใช่ไหมกินก็ไม่ได้หาเงินก็ไม่ได้ถ้าลูกไม่มีโอโลทรมานไม่มีใครปลอบใจภรรยาก็ไม่มีอีกฉะนั้นอายุเจ็ดสิบห้าเนี่ยเป็นช่วงก่อนตายที่ไม่ดีแข็งแรงไหมไม่แข็งแรง ความจำดีไหมไม่ดี ล, ลืมั้ยลืมมแต่บางคนที่แข็งแรงมีมาอายุแปดสิบก็มีใช่ไหมล่ะนั่นอัลลอฮ์ให้นะแต่โดยทั่วทั่วไปแต่เจ็ดสิบห้าเนี่ยถือว่าเยอะแล้วพี่น้องนบีขอดูอาให้เราขอด้วยขออย่างงี้ขอเจ็ดแปดรายการอัลลอฮุมอินนีอัลุบิกามินัลบุคลีนี่นะขอขอข้อที่หนึ่ง ขอดาวนาจากอัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์คุ้มครองอย่าให้เราเป็นคนตันีขี้เหนียวเป็นคนขี้เหนียวเนี่ยยาเลยอย่าอาลัลลอฮ์อย่าให้คนตันีขี้เหนียวเลยเวลาตันีขี้เหนียวอย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวมอเป็นความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ไม่เคยแบ่งให้ใครเลยไม่เคยสอนใครเลยอ้าวคนที่มีความรู้ มันต้องให้ความรู้กับประชาชนใช่ไหมหากมีเงินแน่นอนที่สุดมันก็ต้องให้เงนนินอย่าเป็นคนตนีขี้เหนียวประการที่สองวันกาซาลีอย่าเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจ ด, ดีไหมได้ยินเสียงอาจารที่มสัส ย, ยิดขี้เกียจมาพราะเขาประกาศที่ซีคอนหรือที่พระราได้เขาจะลด สินค้าลดให้ส0บอร์ไปกันมันแถวเลยตั้งแต่สูโบนเตรียมตัวปรึงสาลูกไปไปไปไปยอ์มันมากมันไปไหนไปพระได้ก็ลดราคา 10% บอร์เซไอ้รอมฎอนนี่อลัลลอฮ์เปิดโอกาสจะลดความชั่วอลัลลอฮ์ให้ร0อยเอร์เซนไม่มีใครมาแต่ไปพระได้ได้เดินที่สีคอนได้อัลลอว์อัลกุรนต้องนึกขีกเกียจเนี่ย ขี่เกียจมามาสยิดขี่เกียจไปนับมาดจม่าขี่เกียจมนับมาดตเราวีกับจม่าที่มัสยิดขี่เกียจมาดีละ่ะขอทูลอ้าวต่ออัลลอฮฺอย่าให้เป็นคนขี่เกียจประการที่สามวันฮารอมีอย่าเป็นคนที่แก่ชราแก่ได้แต่ยังให้หลงแก่ได้ไหมได้คนนี่มีอายุยาวๆเนี่ยต้องแก่หมดแล้วแหละแล้วก็แก่แบบไหนแก่แบบหลงกับแก่แบบไม่หลง เอาไงดีต้องแก่แบบไม่หลงาต่อมาข้อที่ห้าข้อที่4ีว่าอัจจาลิลามุรและอย่าให้เป็นคนที่เลวที่สุดของชีวิตนั่งอยู่ริมถนนเด็กมาล้อดีเหรอมกรเนี่ยตำแหน่งยายเป็นโน่นเป็นนี่ในมัสยิดอา้าวเคยเป็นเหตุการณกมัสยิดเป็นกรรมการมัสยิด อลัลลอ์ให้นะตำแหน่งเนี่ยสูงอะ่ะพออายุแปดสิบนั่งอยู่ชายบ้านเด็กเดินผ่านมาหัวเราะเอา โ, อโยนหินใส่ตะย่อบ้างดูดูมันทำมัำมานั่งริมถนนเ ด, เด็กเดกเจอไม่ให้สลามอาลัลลออักวัตเด็กหัวเราะยออบ้างอะไรบ้างไม่มีเลยไม่มีเกียรต ท่านขอดวงอาอลลอฮ์อย่าให้อาลลอฮ์ได้ให้ชีวิตเราเป็นคนตกต่ำถึงขนาดนี้นะครับข้อที่6กว่าจะข้อที่ห้าว่าจะบิลกับรี 5, อย่าให้ถูกทรมานในกุบร์ข้อที่6ว่าฟิตนาตุดดจารอย่าให้ไซต์ตอนอิทธิพลมีอำนาจเหนือเราคนที่มอโมโหเก่งๆนะอำนาจใคร ชายตอนเรืร่องอะไรกันโมโหเกนพูดคายพูดไม่ทวงหูแล้วหึดาเนี่ยถามว่าอิทธิพลของชายตอนเรืร่องอะไรกันชายตอนทั้งทั้งที่ชายตอนถูกมัดแล้วนะรมะมอตอนนี้ยังมโหชาวบ้านอยู่เล ย, ยังฟุดฟุดฟดฟดอยู่นี่แค่นั้นต้องอะไรนะต้องนึกต้องขอรูป อ, อ า, าต่อมาลายาทั้งหมดเนี่ยเป็นมารยาทเลวนะแปดข้อเดียกันมารยาทที่เลวที่สุด นะข้อที่หก็ได้นะอย่าให้อิชายตอเ น, นี่ยอะไรนะไม่อิทธิพลว่าฟิสนาตุลมหายาตายแบบมีชีวิตอยู่แบบไม่ดีนะชีวิตไม่ดีมีแต่ปัญหาเดือดร้อนไม่เคยสงบกว่าเขาเลยกอนมีชีวิตอยู่นะมีปัญหากับเมียก็มีปัญหากับลูกตัวเองก็มีปัญหากับญาติพี่น้องก็มีปัญหาชีวิตนี่ดีละ่ะไม่ดี ข้อสุดท้ายข้อที่8ว่าฟิชนาตูว่าฟิชนตุลมหายวัลมามาตอนตายนะตอนตายแบบดีๆ ต, ตายแบบนี้อิมานอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺที่ท่านอาบดได้สอนเราทุกเรื่องเนี่ยดูอาอย่างงี้ท่องท่องในจำนะอย่าแต่งเองอ่ะคงอ่านเป็นภาษา阿拉伯นะอัลลอฮฺมะอินอนี أعوذ بكمinal بخلي والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتن الدجال وفتن ا ل م ي ى ح ي, ى و ا ل م م ا ت แปดรายการด้วยกันขอความคุ้มครองจากอัลลอให้พ้นจากความเจรีความขี้เกียจแก่ชราอายุที่เลวที่สุด การทรมานที่สูสารอิทธิพลของไซ้ตอนให้ห่างไกลจากตอนมีชีวิตอยู่อย่าให้มีฟิตนะนะครับควา ม, มวุ่นวายในชีวิตมากแล้วก็ให้ตายให้สภาพผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอ์สุบฮานาูฮฺอล อินนัลลอฮิอะลิมุนคบีแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คชีวิตมนุษย์มีแค่นี้แหละนะฉะนั้นใครต้องการที่จะขอดวอาต่อล่อให้มีอายุยืนยาวอายุยืนยาวเนี่ยมันต้องมีอายุยืนยาวที่มีอีมานด้วยได้รับใช้างานาศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเป็นชีวิตที่ดีที่สุด ฉะนั้นต้องขอดุทิศต่อร้อนและอานาญาเนี่ยบ่อยๆจะรู้นะครับว่าอัลฮัมดุลิลละคนเนี่ยพออายุแก่ไปแล้วเนี่ยอะไรๆมันก็ถอยใช่ไหไม่ใช่ความรู้ก็ถอยความจำก็ถอยสติปัญญาก็ถอยร่างกายที่แข็งแรงก็ถอยถอยทั้งหมดฉะนั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยพยายามอยู่กับอัลลอ์ให้อยู่กับอามันอิบราดะให้มากที่สุด บวชไม่ไหวก็ไม่มีปัญหาให้จ่ายฟิดาญาแทนแต่ว่าอ่านคุรานไหวต้องอ่านซิครุลรอไหวต้องซิกรุลออรลอต้องให้ลูกลูกห ล, ลานเนี่มานั่งอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมมีสตางค์เก็บไว้บ้างก็ดีอาลานอ่านอ่านคุรานให้ย่อฟังหน่อยให้ตัวย่อฟังหน่อยอ่านโซรอ ย, ยาซีนะใครท่องได้ให้ร้อยหนึ่งมันก็มีวิธีที่จะให้ลูกหลานมาอยู่ริมๆ เ, เ, เรานะครับนี่ถ้า ถ้าต่อยอดเนี่ยนะอายุเจ็ดดสิบเนี่ยบางทีลูกดูไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าทำงานจะให้ยออยู่สบายสบายหาภรรยาให้ยอเราไม่ต้องเลี้ยงใครเลี้ยงแทนภรรยาเลี้ยงอัลลอฮฺอกบัตลา์มีอัลลอฮส่งผู้หญิงหลายคนเขาพร้อมจะเป็นภรรยานะเอาไว้ดูแลตอนจะตายนะ่มีเยอะไม่ใช่ไม่มี จะน่าให้ตัวย้อมีภรรยาไปเถอะถ้าภรรยาไม่มีนะถ้ามีก็แต่งงานไปเพราะไอเราเนี่ยบางทีมันก็ดูแลย่อไม่ไหวลางกลให้ย่อไวไหมอ่าไม่ไหวถ้าเราไม่ไหวก็ให้คนอื่นก็มาดูแลแล้วก็เราก็ไปหาริสกีแล้วก็เอาเงินให้เขาแลกด้วยเลยนะโดยอีมานแลกด้วยความสบายเล็กน้อย เพื่อนคุณพ่อได้มีโอกาสได้รับใช้งานศาสนาของอัลลอฮ์เอาอีกนิดหนึ่งไซนาอัลีเนี่ยพูดเคยเค ย, เคยบอกแล้วนะไซนาอัลีพูดว่าดุนยาเนี่ยต่ำต้อยมากเลยโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยราคาก็มันเคยเคยอ่นานฮะดิษใช่ไหมอะไรนะปีกยุงใช่หรือไม่ใช่ปีกยุงนั้นมีราคาแพงกว่าโลกดุนยา เรานั่งคิดดูปีกยุ่งในสายตาเราเนี่ยปีกยุ่งไม่มีค่าเลยใช่ไหอลัลลอฮ์มองดุลยาใบนี้และเปรียบเทียบเท่ากับปีกยุงปีกยุ่งถ้าหากโลกดุลยาใบนี้มีราคามากกว่าปีกยุ่งอลัลลอฮ์จะไม่ให้คนที่ไม่รู้จักอลัลลอฮ์ได้ดื่มน้ําแม้แต่อึกเดียวก็ไม่ยอมให้ดื่มอลัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาเฟ่ ด, ดื่มน้ําแม้แต่อึดเดียว ที่แสดงให้เห็นว่าโลดุลยาไปนี่ราคามีไหมราคาไม่มีถามเราว่ามีไหมมีถามเรามีไหมมีที่อยู่หน้าซีคอนสิบไร่อัลลอฮ์ Allah, รายละ ส, สองแสนเฮ้ยไม่ใช่เลยยี่สิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านอัลลอฮ์มีประโยชน์เยอะแต่อัลลอฮ์มาบอกทรัพย์ชั้นไม่มีราคาไซนาลีพูดอย่างงี้ผ้าไหม ผ้าไหมเป็นของที่ประเสริฐที่สุดสําหรับประชาชนประชาชาิใช่ไหมทุกคนต้อนรับผ้าไหมาราคาแพงท่านบอกว่าผ้าไหมทํามาจากอะไรอัชราฟุลิบาเซบานีอาดัมฟีฮิโลอาบูดูดอะอภรณ์ที่ดีที่สุดคือผ้าไหมทํามาจากนําลายสัตว์ทํามาจากนําลายตัวมอนที่เชียงใหม่ ในสายตายของมนุษย์เป็นของที่ประเสริฐที่สุดแต่มาจากของที่ไร้ค่ามาจากน้าลายเ็นยังเอาอีกอีกเรื่องหนึง่งว่าอัชราฟุชรอบีและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพแข็งแรงนั้นมาจากอะไรมาจากของเหลือ<ม>จากตัวพึ่งมาจากขี้มันเยี่ยวมันของพึ่งใช่นไหมนั่นเป็นของที่มีค่าที่สุด นั่นะอัลลอฮฺะจะเหลืออะไรพี่น้องน้ำผึ้งมาจากมูลของตัวผึ้งผ้าไหมมาจากน้ำลายของตัวหมอนและมีราคาตรงไหนแต่สายตาของมนุษย์ราคาแพงเหลือเกินฉะนั้นนึกถึงอัลลอสุภาณูวาจาละนะครับอ้าวก่อนจะจบขอฝากท่านพี่น้องถามว่าการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ย มีคนถามนาบีนบีจา๋าท่านขุ่ยใจมากระเบียร์ออันถามท่านนาบีว่าการที่เราใช้รักษาด้วยการเป่าก็ดีเป่าอธิบายอย่างนี้ก่อนจะนอนเนี่ยพี่น้องไปแปลงฟันก่อนอาบน้ำนำมาดก่อนเสร็จแล้วมานั่งบนที่นอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุ้น แล้วก็รูปไปทั้งตัวยกมือ อ, อ, อ, อีกเป่าอีกลังอานอีกสามกุญทําอย่างนี้สามครั้งอ่ะแล้วก็รูปทั้งตัวแล้วก็นอนด้วยการตะแคงขวาเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนเนี่ยการเป่าแบบนี้กับการรักษาด้วยกินนู่นกินนี่ยานั้นยานี้มันไปขวางตักดีดของอัลลอฮ์ไหมถามท่านนาบีนบีก็บอกว่าการรักษาหรือการเป่า การดูแลสุขภาพไม่เป็นการขวางตักดิตแต่เป็นการปฏิบัติตามตักดิตของอัลลอฮที่กำหนดเอาไว้เชิญรักษาตัวเองให้ดีดลฮัมดลเราะอนั้นแต่งงานดีไหมดีมีบ้านหลังหนึ่งดีไหมดีมีลูกดีไหมดีมีน้ำพึ่งในบ้านดีไหมดี อินผาลัในบ้านดีไหมดีแล้วก็มีอะไรนะนมในบ้านดีไหมดีเพื่อดูแลสุขภาพแต่อย่าลืมเมื่อมีของดีๆอย่างนี้ต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะลาทั้งหมดนี้อัลลอฮ์ให้กับเราต้องชุกรต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตะลาชูกรต่ออัลลอฮ์แบบไหนแบบสัตว์เนี่ยแบบพึ่งอ่ะชูกรแบบไหนแบบ มันไปเอาผลอะไรนะเอาไปดูดมาจากเกษรนั่นอัลลอฮ์สั่งพึ่งพึ่งก็ทาตามอัลลอ์แลวเราเนี่ยอัลลอ์สั่งให้สูอยู่ให้ถือสินอดให้อ่านคภรอานเนี่ยดีกับพ่อแม่ก็ทาตามที่อัลลอ์สั่งนี่แหละเรียกว่าแล้วฉุกดตออัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และ تعالى س ب ح ا ه และลลอฮุมหบิฮัมดิแชดวัยละอิลัยละอลัยอันเตะ أستغفروك واتوبيلي كُبْسَلَم عَلَيْكُمْ ه ِ و َ